ตอนนี้มีคนเข้ามายังมาชอบไหมค ะ, ะทางเฟซบุ๊กมีสองร้อยี่สิบเอคนคะ่ะส0 0้อยแล้วทางยูทูบยี่สิบห้าคนค ม, มากกวที่นี่นะ <c oughs> ที่นี่มายากต้องเดินทางนะ ที่ยูทูบที่เบุ๊กนี่อยู่ไหนก็ดูได้พอเราเริ่มกดออพอเราเริ่มเปิดมันก็ส่งไปถึงคนรับเลยนะ <Okay. S 1> สมัยนี้ทางโลกเขาพัฒนาไปรวดเร็ว อย่างสะวดวกรวดเร็วแต่จะพัฒนาไปอย่างไรก็ไม่สามารถมาทาให้ใจเราเย็นได้มีแต่จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นไปเรื่อยเรืะนขอให้เราระวังกับความเจริญทางทางโลก มันจะทำให้ใจเราร้อนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะยิ่งสะดวกรวดเร็วก็ยิ่งอยากใช้มันสะดวกรวดอเร็วขึ้นไปใจจะร้อนขึ้นไปไม่ได้เย็นใจจะมีความทุกข์มากขึ้นดอนอย่าไปหลงกับความเจริญทางโลกมากจนเกินไป เอาความจเจริญทางโลกมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือเราต้องรู้จักประมาณอย่าไปหลงไหลกับสินต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาหลอกเราให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นกันพอต่อให้เราได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอ แต่จะทำให้เราหิวทำให้เราอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะหลอกให้เราดิ้นรนไปหากันเหน็ดเหนื่อยเมื่อนะกับการแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราเห็นที่เราได้พบได้ามาแล้วก็ไม่พอไม่แต่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คือผลกระทบต่อจิตใจของพวกเรากับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุดังเราต้องรู้จักใช้ความเจริญทางด้านวัตถุคือต้องให้มันใช้ด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลของวัตถุก็มีไว้แค่ เลี้งดูร่างกายเราเท่านั้นแหะให้ร่างกายเราอยู่อย่างปกติสุขให้ร่างกายเรามีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีปัจจัยสี่แล้วก็ควรที่จะหักข้ามจิตใจ อย่าไปอยากได้ปัจจัยหปัจจัย6ปัจจัยเจปัจจัย8เพราะว่ามันจะไม่มีวันพอมันมีแต่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานทำการหาทรัพย์หาเงินหาทอง ที่จะได้เอามาใช้ซื้อสิ่งต่างๆที่เขาผลิตกันขึ้นมานึกถึงปู่ย่าตายายของเราสมัยท่านอยู่ท่านก็ไม่มีของเหล่านี้ท่านก็อยู่กันได้และอยู่อย่างสุขกว่าพวกเราเองเพราะจิตใจไม่ค่อยวุ่นวายกันสมัยก่อนไปไหนมาไหนภายเรือกัน ใจเย็นๆพายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวนี้ขับรถกันอย่างรวดเร็วก็ยังใจร้อนขึ้นอยากิ่งอยากจะไปให้มันเร็วกว่าที่รถมันจะขับไปได้แล้วแทนที่จะไปเร็วมันกลับไปช้าเพราะรถมันเยอะรถมันติดถนนไม่พอวิ่ง แทนที่จะไปเร็วกลับไปช้าเราใจก็เลยเครียดที่มีปัญหาทางบนท้องถนนคนขับรถนี่เขาว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเวลาขับรถนี่กลายเป็นเสือสียงกับเหงแลกกันหมดมีแต่จะ เอารัดเอาเปรียบกันไม่แต่จะเอาใจตัวเองแล้วถ้าใครขัดใจขาดความก็โกรดขึ้นมาเกลียดขึ้นมาเ<ม>พราะเราปล่อยใจให้ไหลไปตามความอยากความต้องการเพราะมีวัตถุมาคอยสนับสนุนความอยากความต้องการของเรา ก็เลยเป็นตัวล่อปุนตัวดูดให้ความอยากของเรานี่ออกมาแสดงตัวการแสดงตัวของความอยากนี่มันมีจะทำให้ใจเราร้อนอ ม, มันไม่ได้ทำให้ใจเราเย็นถ้าอยากจะให้ใจเราเย็นเราก็อย่าให้ความอยากมันออกมาแสดงตัว สมัยก่อนมันไม่มีวัตถุที่จะมาสนับสนุนความอยากความอยากมันก็เลยออกมาแสดงตัวไม่ค่อยได้จะไปไหนก็ต้องเดินไปใไหมหรือพายเรือไปานั่งรถเมลรถไฟก็วันหนึ่งอาจจะมีเที่ยวหนึ่งมีขบวนหนึ่งมีไม่มากเหมือนสมัยนี้งั้น ความอยากจะไปไหนมาไหนมันก็เลย <Okay. S 1> ออกมาไม่ได้เพราะออกมามันก็ไปไม่ได้ yeah. <Yeah. S 1> กับสบายใจกว่ายิ่งจะเดินทางด้านวัตถุมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้จิตใจร้อนมากขึ้นไปเพราะมันตอบสนองความอยากได้มากขึ้นก็เลยทาให้ความอยากนี่มันออกมาแสดงตัวได้มากขึ้น yeah. ความอยากเป็นตัวต้นเหตุของความร้อนอกร้อนใจกัน <Yeah. S 1> แล้วก็นำไปสู่ความโกรธความเกลียดกัน <Yeah. S 1> เพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ <Yeah. S 1> ก็จะทำให้เกิดความโกรธ <Yeah. S 1> เกิดความเกลียด <Yeah. S 1> เกิดความเสียใจดัง <Yeah. S 1> นั้น เราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงไหลกับการเจริญของวัตถุเท่าของต่างๆทำมาเรียงชีพเพื่อหาปัจจัยสี่แล้วก็ถ้ามีเงินเหลือก็อย่าเอาไปใช้เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้มาสำรองไว้เผื่อวันข้างหน้า รายได้ตกต่ำหรือไม่สามารถที่จะหารายได้ได้<ม>ก็จะมีเงินสำรองไว้คอยดูแลช่วยเหลือเราแล้วถ้าอยากจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับใจทำใจให้เย็นไม่ได้ทำใจให้ร้อนก็เอาไปทำบุญ การทําบุญนี้จะทำให้ใจเย็นเพราะมันจะไม่กระตุ้นความอยากต่างๆมันมีแต่จะสกัดความอยากต่างๆถ้ามีเงินแล้วไม่ได้เอาไปทําบุญเดี๋ยวมันก็อยากซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพ <Yeah. S 1> อไม่ได้ซื้อไม่ได้เที่ยวใจก็หงุดหงิดนำทานใจ ต้องไปเที่ยวต้องไปซื้อให้ได้พอได้เที่ยวได้ซื้อแล้วความอยากมันก็ไม่หมดความอยากไปเที่ยวใหม่ก็กลับมาอีกความอยากจะซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆก็กลับไปอีกนี่ถ้าเราอยากจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ ก, กับ จ, จิตใจ พระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้เงินไปกับการทำบุญทำทานเพราะการทำบุญทำทานนี้จะไปสกัดความอยากต่างๆเช่นอยากจะไปเที่ยวเอาเงินที่อยากไปเที่ยวนี้ไปทำบุญเถอะอยากจะไปซื้อกระเป๋ารองเท้าที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเอาไปทำบุญเถอะเรารับรองได้ว่าผลลับนี้จะต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน เหมือนในโลกกับสวรรค์เล ย, เ, ยเขาเรียกทำบุญได้ขึ้นสวรรค์เพราะทำบุญแล้วใจเย็นใจมีความสุขทำตามความโลภทำตามความอยากแล้วใจร้อนขึ้นมาใจร้อนใจหิวได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอมีแต่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในวิธีของคนฉลาดคนฉลาดจะถ้ามีเงินเหลือไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็เอาไปทำบุญคนโก็ ถ, <c oughs> ถ้ามีเงินเหลือบิงท <c oughs> ีเงินไม่เหลือก็อยังไปใช้ไปใช้ตามความอยากต่างๆแล้วก็มาสร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจสร้างความเครียดสร้างความโกรธเกลียด ความเคียดแค้นอาฆาตพยายบาทเพราะว่าเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจว่าใจของพวกเรานี้ไม่ได้เย็นไปกับความเจริญของทางด้านวัตถุไม่ได้ร่มเย็นเป็นสุขไปกับความเจริญ ในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงเกลิ่นรสผลตาภใจของเราเย็นด้วยการทำบุญทาทานเย็นด้วยการรักษาสี่เย็นด้วยการภาวนาถ้าเราอยากจะติดเครื่องปรับอากาศให้กับใจเราต้องติดด้วยทางทำบุญทาทานด้วยการรักษาสี่งด้วยการภาวนา อย่าไปติดด้วยการไปเที่ยวไปหาข้าวของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันจะทำให้ใจเราร้อนอันนี้เป็นความจริงไม่เชื่อลองสังเกตดูดูใจของเราเวลาที่เราทำบุญรักษาศีลภาวนากับเวลาที่เราไปแสวงหาราบยศสำนึเสริญ แวนหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความรู้สึกมันเป็นยังไงมันร้อนหรือมันเย็นมันสุขหรือมันทุกข์นี่คือใจของเราใจของพวกเรานี้ไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสปฎิภาพแต่ต้องการทานศีลภาวนา ทานศีลภาวนานี่แหละจะทําให้ใจเราล่มเย็นเป็นสุขจะทําให้ใจเราปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆฉะนั้นขอให้เรามาหัดทาทานกันดีกว่าหัดรักษาศีลกันดีกว่าหัดภาวนากันดีกว่าอย่าไปหาหาเงินหาทองหาลาบยศจันทร์เสริญ าความสุขทางตาหูจมูกงิ้งกายเลยพอมันจะนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจสู่ความเศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นของชั่วคราวมันให้ความสุขเราได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไป แล้วก็ทำให้เราต้องหามาใหม่ก็เราติดเหมือนกับยาเสพติดพอเราได้เสพยาแล้วมีความสุขพอฤทธิ์ของยาหมดไ ป, <S <S ปความสุขนั้นก็หายไปความอยากจะเสพใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาก็จะทำให้เราต้องไปเสพอยู่เรื่อยๆ แวเวลาไม่สามารถหายามมาเสพได้ก็จะเกิดความเครียดเกิดความทรมานใจนี่คือลักษณะของใจของเราถ้าเราไปเสพราบยศสรรเสริญไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพระแสดงว่าเรากำลังไปเสพยาเสพติดกันแสดงว่าเรากำลัง ดินหนนไปหาความทุกข์กันไม่ได้ไปหาความสุขกันพอความสุขที่ได้มันจะจางหายไปอย่างรวดเร็วแล้วมันจะทําให้เราทุกเวลาที่เราไม่สามารถหามาเติมได้แต่การทาทางการรักษาศีลการภาวนานี่ยกลับจะทําให้ใจเราเย็นขึ้นไป มากขึ้นไปเรื่อยๆทำทานได้มากเท่าไหร่ใจจะมีความเย็นมากขึ้นไปเท่านั้นรักษาศีลได้มากขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งมีความเย็นมากขึ้นไปเท่านั้นภาวนาได้มากเพียงไรได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความเย็นมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ ได้ส่งพิสูจน์ด้วยพระองค์เองแล้วและได้ประทับตารับรองไว้แล้วว่าเป็นสินค้ามาตรฐานผู้ที่บริโภคนี้จะได้รับแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียวจะไม่มีโทษตามมาส่วนราบยศ ส, สรรเสิรินู้เสียงกลิ่นรดนี้พระพุทธเจ้าได้ประทับตากะโหลกไขสีษะหัวกระโหลกไข่กันกระดูก ว่าอันตรายถ้าจะหาก็ต้องหาด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังมีความจำเป็นต้องอาศัยมันอยู่บ้างเช่นลาบคือเงินทองเราก็ต้องมีไว้สำหรับใช้ซื้อข้าวซื้อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอันนี้หาก็ต้องหาอย่างระมัดระวังมันเป็นเหมือน เป็นเหมือนงูพิษเนี่ยที่มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักเพราะว่าเราสามารถเอาพิษของงูนี้มาทําซีรั่มได้มาทํายาเพื่อที่จะกันพิษของงูได้สมัยนี้เวลาถูกงูพิษกัดไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็จะมีซีรัม่มมียาฉีดไว้ต้าน พิษของงูได้ทำให้พิษของงูไม่สามารถทำให้ร่างกายตายไปได้คนที่จับงูก็ต้องรู้จักจับคนที่เ็าจับงูพิษไปดูที่สถานสาวพาเนี่ยมีงูพิษเยอะงูเห่างูจงอางงูอะไรต่างๆนี่แต่เขารู้เขามีวิธีจับงูพิษเหล่านี้ เพื่อมารีดเอาพิษออกมาแล้วเอามาทำเป็นยาเงินทองที่เราหากันนี่ก็เหมือนเหมือนกูพิษถ้าเราไม่รู้จักวิธีหาก็จะถูกเงินทองกัดตายได้จะทำให้เงินทองนี้ทำให้เราทุกทรมานใจวิธีที่ทำให้เงินทองทุกทำให้เราทุกทรมานใจ ก็คือใช้แบบไม่มีเหตุมีผลใช้ตามความอยากเห็นอะไรชอบก็อยากได้ก็ซื้อมาถ้าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็หมดเงินจะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้พอเงินหมดก็เดือดร้อนก็เหมือนถูกเหมือนถูกเงินกัดนะใจวุ่นวายใจทุกขนะ์แทนที่จะเอาเงินทองมา ดับความทุกข์กลับมาทาสร้างความทุกข์วิธีที่เอาเงินทองมาดับความทุกข์ก็คือมาซื้ออาหารเนี่ยเช่นถ้าเราหิวยังไม่มีอาหารถ้าเรามีเงินไปซื้ออาหารมารับประทานความทุกข์ที่เกิดจากความหิวอาหารมันก็จะดับไปให้ใช้ให้ถูกวิธีแล้วเงินทองก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา ถ้าเรามีเหลือก็อย่าเอาไปใช้ตามความอยากเพราะจะไม่พอใช้ถ้ามีเหลือก็เก็บเอาไว้สำรองไว้ในวันข้างหน้าเพราะชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนมีวันที่อาจจะต้องไม่สามารถหาเงินทองได้หรืออาจจะต้องตกงานเราก็จะได้ มีเงินทองที่เราเหลือกินเหลือใช้นี้เอามาใช้ต่อได้เหมือนกับน้ำที่เราเก็บไว้ในตุ่มหน้าฝนในฝนตกเยอะเราก็หาตุ่มมาใส่น้ำกันมีปัญญาหาตุ่มมาได้กี่ตุ่มก็หามาใส่ให้มันเต็มพอต่อไปเวลาหน้าแรกในฝนจะไม่ตกก็ต้องอาศัยน้าฝนที่เรา เก็บไว้ในตุ่มนี้เอามาใช้สอยเงินทองก็เหมือนน้ำที่จ ท, ที่สำคัญต่อการอยู่ของร่างกายถ้ามีเงินทองเวลาขาดแคลนในปัจจัยสี่ก็ไปซื้อมาได้ขาดอาหารก็ไปซื้อมาขาดเสื้อผ้าก็ซื้อมาขาดที่อยู่อาศัยก็ซื้อมาขาดยารักษาโรคก็ซื้อมา แต่ถ้ามีพอเพียงแล้วก็อย่าไปซื้อมามากเกินไปและออย่าไปยกระดับของอาหารของเสื้อผ้าให้มันมีราคาแพงขึ้นไปเพราะมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันอาหารมื้อละร้อยกับอาหารมื้อละห้าร้อยมันก็ทําให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันดับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวได้เหมือนกัน งั้นสู้ใช้ร้อยหนึ่งแล้วเก็บไว้สี่ร้อยดีกว่าเผื่อวันข้างหน้าไม่มีรายได้ก็จะได้มีเงินนี้เอามาใช้ได้ถ้าใช้ของแพงๆมันก็จะหมดเร็วแล้วมันจะติดนิดสัยใช้ของแพงแล้วจะใช้ของถูกไม่ได้เวลาต้องกลับมาใช้ของถูกก็จะ มีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจแล้วก็อาจจะทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่เราไม่ควรกระทำกันคือไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายกันถ้าเราใช้เงินมากๆแล้วพอไม่พอใช้แล้วไม่สามารถหาเงินได้โดยวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม เรายังต้องการใช้เงินอยู่ก็อาจจะต้องทําให้เราไปทําบาปทํากรรมไปทําผิดกฎหมายแลง้นเราต้องคอยควบคุมความอยากของเราไว้ให้ดีความอยากที่จะใช้เงินโดยที่ไม่มีเหตุมีผล<ม>พระพุทธเจ้าสอนพระเวลาใชบ้บริโภคปัจจัยสี่ก่อนจะใช้ให้พิจารณาก่อนว่า อาหารที่รับประทานนี้รับประทานมีไว้นประทานเพื่ออะไรมีเพื่อระ ง, งับความหิวมีเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขไม่ได้มีเพื่อให้สนุกสนานเฮฮาไม่ได้ให้กินด้วยความเพื่อความสุขใ จ, จเลือกอาหารแพงๆเลือกอาหารที่ชอบมารับประทาน ให้ยินดีตามมีตามเกิดในบินฑบาตมาได้อะไรมาก็ยินดีตามที่ได้มากินเพื่อให้มันดับความหิวเท่านั้นกินเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะนั้นเราต้องพิจารณาทุกครั้งเวลาที่เราจะใช้เงินซื้อปัจจัยสี่ ว่าเราซื้ออามาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ของแพงๆ แ, แต่ก็ต้องเป็นของที่สะอาดของที่ไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายบริโภคเข้าไปแล้วไม่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยบางทีประหยัดมากเกินไปไปซื้อของไร้คุณภาพไปซื้อของเก่ามารับประทานอย่างนี้ก็ไม่ควรเหมือนกัน ซื้อของที่อาจจะไม่แน่นอนว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่อย่างนี้ก็ต้องยอมเสียยอมเสียซื้อของที่มีคุณภาพของที่ปลอดภัยต่อชีวิตถ้าเราใช้เหตุใช้ผลในการหาเงินหาทองในการใช้เงินใช้ทอง ใจของเราจะไม่ร้อนรนใจของเราจะเย็นจะสบายหาก็หาไปตามกำลังของเราตามความรู้ความสามารถของเราไม่ต้องไปหาโดยวิธีที่ที่เราจะต้องวุ่นวายเดือดร้อนบางทีต้องไปหาด้วยการไป ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วก็ไปเป็นหนี้บุญคุณเขาแล้วเดี๋ยวเขามาให้เราช่วยเหลือบ้างถ้าให้เราช่วยเหลือในทางที่ไม่ชอบเราก็จะลาบากถ้าเราไม่เป็นหนี้บุญคุณใครเราก็ไม่ต้องไปตอบทดแทนหนี้บุญคุณเขาเขาจะมาให้เราทำในสิ่งที่ ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมเราก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเขามีบุญมีคุณกับเราบางทีถ้าเราไม่ทำเราก็จะถูกเขาโกรธได้เกลียดได้และอาจจะทำร้ายเราได้เวลาหาเงินหาทองก็หาด้วยความรู้ความสามารถของเราดีกว่า ได้เท่าไหร่ก็ให้พอใจกับที่เราได้มาอย่าไปเป็นหนี้บุญคุณกันเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้บุญคุณในรูปแบบไหนขอให้เรามีความมาักน้อยสันโดษแล้วการหาเงินหาทองจะไม่เป็นปัญหาเพราะความต้องการของร่างกายเรานี้มันไม่มากเลย คนทำงานกรรมกรเขาก็สามารถเลี้ยงดูร่างกายของเขาได้ขอทานข้างถนนเขาก็สามารถเลี้ยงดูร่างกายของเขาได้นั่งขอทานวั น, ว, นวันหนึ่งก็พอที่จะมีเงินไปซื้ออาหารมารับประทานนะที่อยู่อาศัยก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเป็นขอทานแล้วนอนที่ไหนก็ได้นอนใต้สะพานก็ได้ นอนตามที่ศาลารถโดยสารก็ได้ที่ไหนพอหลบแดดหลบฝนได้ก็ใช้ได้เะนการหาเงินหาทองก็ต้องฉลาดอย่าหาโดยที่ทำให้เราต้องมาชดใช้บุญคุณในภายหลังเพราะจะอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย ให้เรามีความภูมิใจในตัวเราดีกว่าว่าเราไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องขอใครอันนี้แหละเป็นเกียรติเกียรติเกียรติที่แท้จริงคือการที่เราพึ่งตัวเราเองได้ยอมอดอยา่าขาดแคลนดีกว่าไปเป็นหนี้บุญคุณของผู้อื่นแล้วก็ยอมตายได้ก็ยิ่งดี เพราะในที่สุดชีวิตของคนเรามันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ตายอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่าตายแบบไม่มีศักดิ์ศรีตายแบบเป็นหนี้เขาเ ป, เป็นขอทานกับตายแบบไม่เป็นหนี้ไม่เป็นขอทานดีกว่าแต่รับรองได้ว่าไม่มีปัญหาหรอกเนื่องการหาเงินหาทอง ถ้าเราเอามาใช้แบบประหยัดใช้แบบมีเหตุมีผลรายได้ขั้นต่ำวันละสามร้อยนี่ก็อยู่ได้นะแล้วก็ท่งนไม่ไม่มีเงินทองซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่ที่ไม่จำเป็นก็ไม่เห็นจะทำให้มีความสุขมากขึ้นหรื อ, อความทุกข์น้อยลงไปมันก็เหมือนเดิม ขอให้มีปัจจัยสี่แล้วรับรองได้ว่าร่างกายนี้สบายแล้วสุขแล้วจะเป็นปัจจัยสี่ระดับขอทานระดับกรรมกรระดับผู้บริหารระดับรัฐมนตรีระดับนายกมันก็ปัจจัยสี่เหมือนกันมันก็เลี้ยงดูร่างกายได้เท่ากันระดับความหิว ป้องกันความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดกับร่างกายได้เท่ากันเรานั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกันมากจนเกินไปหาตามกำลังตามความรู้ตามความสามารถของเราแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะถ้าใครอยากจะช่วยเหลือใครอยากจะช่วยหางานให้ ไปมีงานดีๆแนะนาให้ไปแต่ถ้าให้ด้วยความาความบริสุทธิ์ใจคือให้ด้วยความไม่มีพันธะต่อกันให้แบบทานก็รับได้แต่ถ้าให้แบบที่มีพันธะต่อกันนี่ก็ไม่รับดีกว่าเพราะจะทำให้เราไม่เป็นอิสระไม่สามารถปฏิเสธ เขาได้ในเวลาที่เขาจะให้เราทำอะไรที่เราเห็นว่าไม่สมควรที่จะทำขอให้เราฝึกคำว่ามักน้อยแล้วก็สันโดดสองคำนี้ถ้าเรามีอยู่ในใจแล้วชีวิตเราจะสบายไม่วุ่นวายมักน้อยก็คือใช้ให้มันน้อยที่สุดสินค้าที่มีราคาให้เลือก ก็เอาอย่างต่ำที่สุดถ้ามันใช้ประโยชน์ได้เท่ากัน mm hmm. เช่นสบู่เอามาซักออกร่างกายนี่มีตั้งแต่ก้อนละสิบบาทไปถึงก้อนละพันบาทนีเ้เลือกเอาเอาสิบบาทดีกว่าสิบบาทนี้ซื้อได้พันบาทนี้ซื้อได้ตั้งร้อยก้อนนะใช้ไปทั้งปีก็ไม่ไม่หมดแต่ซื้อพันบาทนี้ใช้มาไม่ไมกี่ ไม่กี่เดือนไม่กี่อาทิตย์ก็หมดแล้วมีคำว่า ม, มัากน้อยก็คือใช้ให้มันน้อยๆถ้ามันใช้ประโยชน์ได้เท่ากันก็เลือกเอาราคาที่มันต่ำที่สุดดีกว่าแต่มันทำประโยชน์ได้เหมือนกันเสื้อผ้าอย่างนี้เสื้อผ้าตัวละล้อยกับตัวละหมื่นเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันสวมใส่ ไว้สวมใส่ไว้หุ้มห่อร่างกายไว้ปกปิดอวัยวะ<ม>ไว้ป้องกัน<ม>อากาศที่หนาว<ม>เย็นหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆมไม่ได้ใส่เพื่อให้เกิดเป็นผู้วิเศษขึ้นมาบางคนนี่อาศัยเสื้อผ้าเป็นตัวแปลงตัวเองให้กลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาพอใส่ปุ๊บกลายเป็นเทวดาขึ้นมากลายเป็นนางฟ้าเป็น นายเทวดาขึ้นมา น, นั่นมันเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงตัวจริงของแท้คือใจอถ้าใจเป็นเปรตจะใส่เสื้อผ้าของเทวดามันก็ยังเป็นเ ป, นเปรตอยู่เหมือนกับเอาลิงเอาลิงมาผอมผ้าเหลืองมันก็ไม่มีวันที่มันจะเป็นพระได้หรอกมันก็เป็นลิงอยู่ดี ให้เปรียบเทียบให้ฟังว่าให้เรารู้จักมากน้อยแล้วเราจะได้ไม่ถูกความอยากกดดันให้ต้องไปหาเงินหาทองแบบ<ม> เ, หเหนื่อยเมื่อยล้า<ม>แทนที่จะมีความสุขกลับต้องมาทุกกับการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุข<ม>ประเดี๋ยวประดาวซื้อความสุขได้เวลาไปซื้อของที่อยากได้ก็มีความสุขแั๊บเดียวนะ<ม>เดี๋ยวก็หมดละ เดี๋ยวความอยากซื้อของใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วของที่ซื้อมาแล้วก็ไม่มีความหมายแล้วไม่มีความสุขแล้วไม่ได้ความสุขจากของที่เราซื้อมาแล้วต้องไปซื้อของใหม่ถึงจะมีความสุขอีกมันก็จะกดดันให้เราต้องดิ้นโดนหาเงินหาทองแล้วอาจจะทำให้เราต้องไปขายเนื้อขายตัวเป็นหนี้บุญคุณของผู้อื่น หรือไปทำบาปทำผิดกฎหมาย <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้เงินมามากๆได้เงินมาเร็วๆได้เงินมาง่ายๆ <Yeah. S 1> เท่ากับการขายตัวเราให้กับปีศาจ ย, <Yeah. S 1> ยอมยอมทำบาปยอมยอมกลายเป็นคนไม่ดีเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้มา แต่ถ้าเรามีความมากน้อยแล้วมันจะไม่มีปัญหาใช้เหตุใช้ผลในการซื้อข้าวซื้อของต่างๆในการใช้ข้าวของต่างๆยิ่งถ้าเราเป็นสันโดษได้ยิ่งดีสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ใช้มันไปตามมีตามเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใช้มันเช่นสบู่ไม่มีก็ไม่ต้องใช้มันอาบน้ำใช้น้าก็ได้ สมัยโบราณเขาไม่มีสบู่เขาก็อยู่กันได้อาบน้ำมันก็ชำระร่างกายได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะใช้เพื่อต้านความเจริญทางด้านวัตถุ ก, กันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลหลงไหลข้ามคล้ไปกับความเจริญของสินค้าต่างๆเาที่เขาผลิตออกมาเปิดหนังสือพิมพ์ดูเปิดทีวีดูนี่ มีโฆษณาสินค้าแปลกๆใหม่ๆเยอะแยะไปหมดแล้วนี้ของที่ญาติโยมมาถวายนี่บางทีต้องสายแว่นตาดูว่ามันเป็นอะไรเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเครื่องดื่มต่างๆที่นมนมหรืออะไรเนี่ยของมีอะไรของแปลกๆเยอะแยะไปหมดไม่เคยเห็นต้องใส่แว่นดูว่ามันเป็นอะไรตอนนี้สายตาก็ไม่ดี ถ้าไม่มีแว่นก็มองไม่เห็นเองแต่มันก็เป็นปัจจัยสี่ท่านั่นล่ะของบริโภคทั้งหลายมันมีไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราอย่าไปหลงไหลข้างใครกับมันเลยอย่าไปหลงไหลข้างใครกับการโฆษณาว่ากินอาหารชนิดนี้แล้วอายุจะยืนยาวนานจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่แก่ มันไม่เป็นแปไม่ได้หรอกอาหารมันจะวิเศษขนาดไหนก็ตามมันก็ทำให้น่างการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้หรอกแต่เวลามันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเราต้องมีธรรมะมาคอยต้านมีปัญญามาคอยต้านสิ่งที่จะมาหลอกล่อเราให้เราไปหลงไหลกับสินค้าต่างๆ ท, ท, ที่เขาผลิตกันขึ้นมา ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาต้านความแก่ความเจ็บความตายได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เท่านั้นที่จะต้านได้คือจะทำให้เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้จะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปสูเอาเอาธรรมะดีกว่า มาเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสาระดีกว่าอย่าเอาวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆมาเป็นที่พึ่งเพราะมันไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจมันเป็นสิ่งที่จะมาเผาผลาญใจเราให้ทุกข์ให้วุ่นวายให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาต้องเอาทานเอาศีลเอาภาวนานี่มาเป็นที่พึ่ง เพราะมันจะทําให้ใจเราอิ่มใจเราสุขใจเราเย็นใจเราปราศจากความทุกข์ต่างๆถ้ามีทานศีลภาวนาอยู่ในใจแล้วร่างกายจะเป็นอะไรนี้จะไม่สามารถมากระทบกับความร่มเย็นเป็นสุขของใจได้เพราะใจมีเกราะคุ้มครองเหมือนเกราะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเสื้อเกราาที่เขาใส่ เวลาถูกยิงด้วยกระสุนก็ไม่เข้าไปถ้ามีธรรมะคุ้มครองใจแล้วความทุกข์จะเข้าไปในใจไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะนี่ความทุกข์มันจะเข้าไปในใจอย่างรวดเร็วเห็นอะไรนิดไม่ชอบใจก็ทุกข์แล้วเห็นอะไรนิดชอบใจก็อยากได้ก็ทุกข์อีกล่ะมันจะมีแต่ความทุกข์เข้ามาตลอดเวลาถ้าเราไม่สร้างเกราะคุ้มครองใจ กาคุ้มคลองใจก็คือทานศีลภาวนาทานก็ทำไปตามสถานภาพถ้ามีทําก็ทำถ้าไม่มีทําก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต้องทํารักษาศีลไปเลยรักษาศีลภาวนาไปถ้ามีถ้ามีทานถ้าํีทได้ก็ทําถ้าจะเอาไปทําอย่างอื่นก็เอาไปทาาําทานแท ถ้ามีเงินเหลือจะไปซื้อของแพงใช้ก็เอาไปทำบุญแทนอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาไปใช้กับความอยากต่างๆแล้วเราจะมีเกราะคุ้มครองใจอย่าทำให้ใจเราไม่ทุกเวลาขาดเงินเดือนขาดเงินเงินไม่พอใช้เพราะเราไม่ต้องใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่พอใช้ก็ไม่ต้องใช้มันใช้ของที่จำเป็น นี่คือสิ่งที่เราจะควรเอามาพิจารณากันอย่าปล่อยให้ความเจริญทางวัตถุทางลามยศรเสริญทางรูปเสียงก ล, ลิ่นรสผลพะมาหลอกมาล่อให้ใจของเราวุ่นวายให้ใจของเราทุกข์ให้เราเดือดร้อนกันเพราะเราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนได้ ถ้าเรารู้จักหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปหลงไหลข้างใครกับความเจริญทางลาบยศสรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะวิธีหนึ่งก็ให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในโลกนี้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แล้วก็มีมันมันก็คุมของใจเราไม่ได้ คุ้มครองใจให้เราไม่เสียใจไม่ให้เราทุกข์ <S <S เวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปไม่ได้หรือเวลาเราพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเรามีธรรมะนี่เราจะมีเกาะคุ้มครองใจของเราจะไม่เสียใจเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปจะไม่เสียใจเวลาต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบ ราไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายจะไม่ทุกข์กับความความสูญเสียต่างๆความพัดพากต่างๆชีวิตเราเป็นชีวิตชั่วคราวเรามาอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานเราก็ต้องไปแล้วเวลาไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้วัตถุต่างๆราบยศสารเสริญ รูปเสียงเก็บนัดที่เราหากันแบแบบเหนื่อยเมื่อแล้วนี้เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แต่ธรรมนี่เราเอาติดตัวไปได้ธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราเอามาปฏิบัติกันนี้ทําทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยมันจะติดไปกับเรามันจะติดเป็นนิสัยไปกับเราไปเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะติดนิสัยทําทานรักษาศีลภาวนาน แล้เมื่อมีนิสัยทำทานรักษาศีลภาวนามันก็จะมีความน่มเย็นเป็นสุขชีวิตจะรวยจะจนไม่สำคัญถ้าได้ทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาแล้วจะมีความสุขมากกว่าชีวิตที่มีความร่ำรวยแต่ไม่มีการทำทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการภาวนาชีวิตที่ร่ำรวยที่ปราศจากธรรมนี้เป็นชีวิตที่รุ่มร้อน เป็นชีวิตที่เครียดเป็นชีวิตที่เศร้าโศกเสียใจดังั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนพอจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว เราจะมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็จะไปเกิดในภพที่ดีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนาต่อจะไม่หลงไหลข้างไค้ไปกับความเจริญของทางโลกแล้วถ้าสามารถทำทานรักษาศีลภาวนาได้เต็มร้อย ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไปอยู่ที่พระนิพพานแทนไปอยู่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการพัดพลาจากกันมีแต่ความสุขที่เรียกว่าบรลมมาสุขมีความสุขเต็มร้อยเต็มเปี่ยมตลอดเวลาทุกเวลานาทีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาสอดแทรกได้เลย นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเข้าหากันอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญมากจนเกินไปหาพอพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ก็พอแล้วมาหาทานศีลภาวนากันดีกว่ามาหาของจริงหาความสุขจริงความสุขจริงเกิดจากการทําทานรักษาศีลภาวนาความสุขปวามเกิดจากการได้ลาบยศสรรเสริญ ได้รูปเสียงกลิ่นรดโพทธภาเพราะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้ผ่อนยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกาปติ อิชิตังปัธิตังตุมหังคิป้เมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตารายุ สุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนานสีิตธานิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่นะตอนนี้อ่ะ เฟสลูกสูงสุดห้าร้อยสามสิบเอ็ดค่ะ <Ừ. S 1> ทางยูทูบสูงสุดแปสิบสี่ค่ ะ, ะคำถามจากคุณยายราศาค่ะถ้าเราเอาเงินที่ลูกให้ไปทำบุญเราจะได้บุญไหมคะได้ถ้าเป็นเงินของเราลูกให้เราแล้ ว, ลวเขาไม่ได้ฮ้เขาไม่ได้กำหนดว่าเราจะาไปใช้อะไรเราก็สามารถเอาไปใช้ตามที่เราต้องการได้ ไ, ำไคำถามจากคุณนาดาค่ะทิฏฐิคืออะไรครับทิฏฐิก็คือความเห็นไงทิฏฐิก็มีทั้งทีความเห็นชอบกับความเห็นไม่ชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมิจชาทิฏฐิความเห็นไม่ชอบความเห็นชอบคืออะไรเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์เป็นผลของบุญนรกเป็นผลของบาปอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเพราะเห็นตามความเป็นจริงส่วนมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคําถามจากคุณนาราค่ะการพิจารณากายกับการพิจารณาเวทนามีความแตกต่างกันอย่างไรใช้ควบคู่กันได้ไหมครับก็มันเป็นข้อสอบคนละข้อไง ร่างกายเราต้องการศึกษาร่างกายเพราะตอนนี้เราหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา <im> แต่พระพระุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราก็ต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นตัวเราตรงไหนเรามีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผมหรือเปล่าหรืออยู่ที่ขนเวลาตัดผมไปตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่าอยู่ที่เล็บอยู่ที่หนังอยู่ที่เนื้ออยู่ที่เอ็นหรือเปล่า ถ้าเราค้นหาไปทั้งร่างกายเราจะไม่พบตัวเราอยู่ในร่างกายเลยก็แสดงว่าเราไม่มีอยู่ในร่างกายเราหลงไปคิดเองว่าเหมือนกับเราหลงคิดว่าเราเก็บของไว้ที่ในกในในตู้เราก็ไปค้นหาทั้งตู้เลยตู้เสื้อผ้าลึงกุญแจไว้คิดว่าอยู่ในตู้ก็เลยลื้เสื้อผ้าออกมาใช่ไหมลื้เสื้อผ้ารื้เข้าของในตู้ออมารื้มาหมดก็ไม่เห็นมีไม่มีกุญแจที่เราคิดว่ามันอยู่ แสดงว่ากุญแจไม่ได้อยู่ในตู้นี้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเรามีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราอยู่ในร่างกายนี้ใช่ไหมทุกคนคิดอย่างนั้นหรือปเปล่าใช่ไหมก็ลองค้นหาดูเลยลองค้นหาเข้าไปอาการ32เนี่ยเอาออกมาทีละอาการแล้วดูซิว่าตัวเราอยู่อยู่ตรงไหนปะเหมือนกับเสื้อผ้ากับข้าวของ เราจะคิดว่าเงินเราอาจาาอาอาจะเก็บอยู่น P. ในกระเป๋าเสื้อผ้าก็ได้<อ>ก็ไปค้นมันออกมาดูกุญแจอยู่ในนั้นหรือเปล่าค้นออกมาก็ไม่มีอยู่ในกล่องหรือเปล่าค้นออกมาก็ไม่มีเมื่อค้นหมดในตู้ไม่เห็นมีนกุญแจก็แสดงว่ า, ากุญแจไม่ได้อยู่ในตู้ะร่างกายนี้กำลังการเราไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกายนี้ใช่ไหมก็<อ>ค้นมันดูสิอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าอยู่ที่เล็บหรือเปล่า อยู่ที่ลาไส้หรอือเปล่าอยู่ที่ปอดหรอือเปล่าอยู่ที่ไตหรอือเปล่าเวลาที่เขาบริจาคตายไปนี่แล้วายมันเราไปกับไตหรอือเปล่าเป็นเราบริจาคเลือดนี่เราไปกับเลือดหรือเปล่าอ่านะเห็นไหมนี่แหละคือการพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเพราะเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ได้หรือเปล่า ทำให้มันไม่เจ็บได้ป่ะทำให้มันไม่ตายได้ป่ะนี่ก็คือการพิจารณาร่างกายเพื่อให้เห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันเที่ยงรึป่าวมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆรึป่ามันเหมือนเดิมรึป่าทุกวันหน้าตาแบบนี้รึป่าถ้าเราดูทุกวันในกระจกมันก็รู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเราถ่ายรูปไว้ได้สักสิบปีกลับมาดูใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไหมที่เราดูทุกวันไม่เปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนน้อย เหมือนกับไอ้ตัวอะไรที่มันคลานอยู่ดูมันคานเต่าคลานนี่รู้สึกมันไม่ได้ไปไหนเลยในชะ่ไหมแต่ถ้าถ้าครึ่งชั่วโมงมาดูไอ้มันหายไปไหนลนะอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาใ น, นแนวมันเปลี่ยนช้าแล้วก็เราเห็นมันทุกวันทุกวันแล้วก็เราคิดว่ามันไม่เปลี่ยนดังนั้นเราต้องดูว่าตอนตอนที่ออกมาจากท้องแม่ร่างกายเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วสิบปีต่อมามันเป็นอย่างไรบ้าง ตอนที่เราไปโรงเรียนนี้น่างกายเรากับตอนที่อยู่ในท้องแน่เหมือนกันหรือเปล่าแล้วตอนที่เราจบเรียนรับปริญญามันเหมือนกับตอนที่เราไปเรียนอนุบาลหรือเปล่าเนี่ยก็เรียกว่าพิจารณาหนี้จังให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเกิดแล้วมันก็เจริญเติบโตแล้วต่อไปมันก็ต้องแก่แก่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายเพื่อให้เห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้มันเที่ยง ราความอยากจะทำให้เราทุกข์ก็ได้ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์ทำไมเราทำไมเราถึงไม่อยากให้ร่างกายมันเที่ยงเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยพอเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้จะไปอยากให้มันแก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างไรอยากไปก็ทุกข์เปล่าๆการพิจารณานี้เพื่อทาให้เราไม่ทุกข์กับร่างกาย คือปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่าไปอยากอย่าไปคิดว่ามันเป็นของเรานี่คือการพิจารณาร่างกายการพิจารณาเวทนาก็ดูเวทนาคือความรู้สึกเนีย <c oughs> ความรู้สึกทางร่างกายมันก็มีสามาญใช่ไหม <c oughs> เวลาเจ็บนี่ก็เรียกว่าทุกข์ใช่ไหมเจ็บภายได้ป่วยก็ทุกข์ใช่ไหเวลากินข้าวอิ่มแล้วไปไงานศุกร์เวลาหิวนี่ทุกข์ใช่ไหม เวลากินข้าวอิ่มก็สุขระหว่างที่ไม่หิวก็ไม่อิ่มก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ใช่หมยารมันก็มีสามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เป็นอนาจตามเราห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บได้ไหมเวลามันนึกอยากจะเจ็บขึ้นมามันก็เจ็บขึ้นมาใช่ไหมสั่งให้มันหายได้ไหมเวลามันเจ็บได้หายไปเดี๋ยวนี้มันก็ไม่หาย แสดงว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราสั่งมันไม่ได้แล้วมันเที่ยงมันมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกข์เราไปสั่งให้มันสุขอย่างเดียวได้ปะก็ไม่ได้เถ้าเราสั่งไม่ได้เราเราเราก็ต้องปล่อยมันสิถ้าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวเดี๋ยวเวลามันทุกข์เราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราไม่อยากให้มันทุกข์งั้นเราอย่าไปอยากให้มันทุกข์ไม่ทุกข์ เราต้องปล่อยมันจะสุข ก, ก็ปล่อยมันสุขไปมันจะทุกข์ก็ต้องปล่อยมันทุกข์ไปเราต้องทาใจเฉยๆเนี่ยปล่อยวางแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเวทนาของร่างกายนี่คือเรื่องการพิจารณาเพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาคำถามจากคุณนพิดาค่ะเวลาเราทำอะไรในสิ่งที่ดีอย่างเช่นดูแลแม่แต่ในใจชอบคิดไม่ดี หนูไม่ชอบมันเลยซึ่งมันขัดแย้งกันเหมือนมีสองจิตอยู่ในร่างคือจิตดีและจิตทั่วหนูควรทําตัวยังไงหรือมีวิธีใดบ้างที่จะดังักอารมณ์จิตทั่วไม่ให้มันคิดขึ้นมาเจ้าคะถ้าใช้พุโทโธได้ก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเบรคมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปถ้าจะคิดก็ให้มันคิดถึงบุญคุณของพ่อของแม่ ว่าชีวิตของเรานี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็จะไม่มีคิดอย่างนี้ไปเวลาที่เราเป็นเด็กนี่เราช่วยตัวเองไม่ได้ใครเลี้ยงเราใครให้อาหารเราใครดูแลเราถ้าพ่อแม่เขาไม่ดูแลเราเราจะโตขึ้นมาอย่างนี้ได้ป่าดูพ่อแม่ที่เขาจับลูกไปกดน้ำดูดูพ่อแม่ที่เขาจับใส่ทุงพลาสติกแล้โยนใส่ทั้งขยะดูแล้วเราจะเห็นบุญคุณของพ่อแม่ของเราว่าเขารักเรามากขนาดไหน เขาเสียสละเพื่อเรามากขนาดไหนแล้วการที่เราจะมาเสียสละเพื่อเขาบ้างในตอนนี้เราทำไม่ได้เลยหรือให้หัดคิดอย่างนี้แล้วเราจะทำให้เราไม่กล้าคิดคิดร้ายกับพ่อกับแม่คาถามจากคุณสิริค่ะการพิจารณาในสิ่งต่างๆที่มากระทุกจิตใจเมื่อสงบลงแล้วจะอยู่ว่างๆนิ่งๆไม่พิจารณาอะไรอยู่กับพุทธโธ จนกว่าจะมีเรื่องใหม่เข้ามาจึงพิจารณาใหม่ลูกทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะหรือต้องทำอะไรต่อไปคะก็ถูกต้องในระดับชีวิตของเราแต่มันจะไม่เจริญก้าวหน้าไปกว่านี้เพราะเรายังมีปัญหาที่ยังไม่เกิดที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวคิดไว้ก่อนเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งหมอบอกรักษาไม่ได้เรายังจะทาใจได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องตายเราจะต้อง เดินข้ามถนนโดนรถชนตายไปเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้หรือยังหรือเวลาสูญเสียคนที่เรารักไปเสียภรรยาเสียสามีเสียภรรยาเสียลูกหรือเสียเงินข้าวของเงินทองไปเสียบ้านช่องไฟไหม้บ้านเสียสิ่งต่างๆไปนี้่รับได้หรือยังถ้ายังรับไม่ได้ก็รีบพิจารณาเตรียมตัวไว้ก่อน เผื่อเวลามันเกิดขึ้นมาเราจะได้ไม่เดือดร้อนไม่สะเทือนใจนถาไ อ, อ, อ้สักถาถ า, า, า, า, ามสองคำถามก็ได้ยังคำถามจะคุณลิน ล, ลี่ค่ะจะเลอบ่อยค่ะหมอบอกว่ารักษายากเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเกือบทุกวันก็จะเดินเป็นระยะบางวันแค่สี่ครั้งในหนึ่งชั่วโมงจึงดูอริยบทการเดินเป็นปกติได้ไหมคะขอคําชี้แนะค่ะ ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของร่างกายเราก็แล้วกันบางคนก็หายลมยเดินไปก็หายลมไปก็มันเป็นเรื่องของร่างกายมันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นก็เป็นไปใจเราก็ให้มีสติอยู่กับการเดินของเราไปก็แล้วกันไม่ต้องไปกัวงวลกับเรื่องการเลอคําถามจากคุณสมปัญญาค่ะเมื่อเกิดความเกลียดชังในใจจะจัดการกับมันอย่างไรครับ ก็มีหลายวิธีวิธีง่ายก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเกลียดชังความเกลียดชังก็จะหายไปวิธีที่จะแก้ข้อที่สองก็คื อ, อสิ่งที่เราเกลียดนี่เราห้ามมันได้หรือปเปล่ามันมามันไปของมันะงั้นเวลาพยายา ม, มทําใจให้เราเฉยเราไปบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมา ไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องไปรังเกียจมันรังเกียจแล้วทําให้เราทุกข์ <Okay. S 1> มีกันไห ม, มีเยอะเลยค่ะอะอีกสองคําถามนึงเดียคําถามจากคุณชนะตนค่ะฟังพระอาจารย์เทพเมื่อวานนี้แล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าชาตินี้เจอพระพุทธศาสนาแล้วอย่าเสียโอกาสต้องทําให้ใจละความอยากให้ได้ ขั้นต่ำเบื้องต้นคือโสดาผลใช่ไหมคะออเอ ห, รอหรือแค่มีสัมมาทิฏฐิไม่งั้นเกิดอีกก็จะหลงทําตามความอยากอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นค่ะอนั่นแหนะถ้าได้โสดาปฏิผลแล้วก็จะสบายอย่าเหลือเพ่งเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่ต้องเกิดในอบายต่อไปจะเป็นโสดาปฏิผลได้ก็ต้องปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ คำถามจากคุณสอนค่ะตอนสุดท้ายแล้ว น, นี่ตอนนี้ทรมานตอนนี้ทรมานใจมากเลยเพิ่งเลิกกับแฟนรู้ทุกอย่างว่าอะไรมันก็เป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันไม่มีกําลังสติเลยค่ะที่จะปล่อยโยมนั่งสมาธิไม่ค่อยประจําวันจะมีวิธีไหนที่จะหลุดจากตัวทรมานนี้และบอกใจให้รู้สึกว่าเขาก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติค่ะก็เนี่ยต้อง ใช้พุโธอย่าไปคิดพอคิดแล้วมันยังจะคิดไปในทางตันหาความอยากอยู่ยัใช้สติสร้างสติขึ้นมามันพุทโธพุทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปสวดร้อยจบเวลาสวดแล้วมันก็จะเ็วไปคิดไม่ได้หรอคิดพอคิดแล้วมันก็จะกลับไปคิดเหมือนเดิมคิดอยากจะให้เหมือนเดิมคิดไม่อยากจะจากกันคิดไม่อยากให้สูญเสียอย่าไปคิด ใช้พุโทโธหยุดความคิดดีกว่าบริกรรมพุโทโธไปด้วยส่วนอิติปิโสร้อยจบไปสวนไปจังกว่าความคิดถึงเรื่องของการพัดพากจากการมันหายไปแล้วใจสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์ทำไปตอนนี้เราไม่มีสติอย่าไปคิดคิดแล้วเดี๋ยวจะเป็นบ้าคิดแล้วยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งเครียดใหญ่ใช่ั้ยเดี๋ยวดายไม่มาก่อนนะถ้ามาก่อนก็คงจะไม่ทุกข์แบบนี้นะ ไม่รู้วิธีหยุดมันไนงะลองหักใช้พุโทโธพุโทโธดูสวดมนต์ก็ได้ตีปิเสลร้อยจบก็ได้พันจบก็ได้ส่วนไปจนกระทั่งมันจะหายทุกข์หายจนกว่ามันจะหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด